M.P.3 สแผนที่32ความชั่วอย่าทำสเสลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเาผาผลาญเมื่อภายหลังนี้คือโอวาทปฏติโมกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย1250รูปที่วัดป่าเวลวันกรุงราชคฤในวันเดือนสามเพน พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าความชั่วอกตังลุกตังเส้ยโยปัจฉาตปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคํานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสมาสองพันกว่าปีแต่พวกเรานํามาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลแล้วเป็นคําพูดและเป็นคําตรัสที่เป็นอมตะวาจา เป็นวาจาอันไม่ตายเพราะเหตุไรเพราะว่ากรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าใครก็ตามทำกรรมชั่วถลําทำกรรมชั่วโดยที่ไม่คิดไม่อ่านโดยที่อารมณ์โมโหโกโธาหรือว่าอารมณ์รักไข่ไปทางกาม ก, กิเลสก็ตามเรือ่องอาการโลภอยากจะได้สมบัติของผอื่นมาเป็นของตัวเองก็ตามคือว่ากรรมชั่วทั้งหมดถ้าว่าพวกเราไม่ยับยั้ง ในการคิดในการกระทาในการพูดนั้นพวกเราจะถลำทำกรรมชั่วในเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะติดตามให้โทษเมื่อภายหลังเหมือนกับเราไปฆ่าคู่ฆ่าคนอย่างนั้นในเมื่อฆ่าเขาแล้วเคิดว่ามันจะจบไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาก็จองร่างจองผ่านจะฆ่าเราอีกผลในสุดเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ผู้เกี่ยวข้องเขาก็เลยจับไมใส่โทษเราอีกเพราะนั้นคำว่ากรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเผาผลาญให้ทุกเราเมื่อภายหลังถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายงายกว่าสิ่งปฏิกูลสิ่งที่มันมีกลิ่นเหม็นอย่าไปจับต้องดีกว่าเมื่อเราไปจับสิ่งปฏิกูลสิ่งที่เหม็นแล้วเราจะล้างมือ ยากกลิ่นเหม็นจะติดมือเราเราจะล้างมือยากเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสิ่งที่มันชั่วคือสิ่งที่มันปฏิกูลสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราอย่าไปทําอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําถ้าทําเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเติดตามเราเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านให้ไตรตรองด้วยเหตุและผล อย่าไปยินดีในการทำความชั่วถ้าพวกเรายินดีในการทำความชั่วแล้วความชั่วนั้นจะติดตามให้ผลเราไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้อำนวยอวยพรขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความสมหวังปรารถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ